คุณแม่ชีแก้วผู้รอบรู้พิสดารที่บ้านห้วยซายแห่งนี้มีนักปฏิบัติธรรมหญิงท่านหนึ่งนามว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงลำเวลาภาวนา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 ว่าดังนี้แล้วท่านก็ไปก่อนจะไปท่านสั่งว่าแต่อย่าภาวนานะนี่สําคัญท่านสั่งไว้จุดนี้แหละคือนิสัยแก่ผาดโผนมากเรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผนมากจริงๆเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนในหัวใจมันออกรู้ออกเห็นหมดเทวบุตรเทวดา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 แม่ชีก็เอามาส่วนแก่นานๆจะเอามาทีหนึ่งถามแม่ชีเรื่องหุงข้าวแม่ชีตอบว่าเพิ่งหุงตอนญาท่านมานี่แหละเขาเรียกญาท่านเป็นความเคารพของเขานะมากนี่เพิ่งทำตอนญาท่านไม่อยู่ข้าวนี่ก็งดหมดแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำแม่ชีตอบ ก็คุณแม่บอกให้ทําไปเถอะญาท่านมาแล้วนี่แหละอันนี้ไม่พลาดนะสำคัญไม่มีพลาดกับตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพโอ้ยแกแม่นยำของแกขนาดนั้นญาท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี้แกเล่าว่าญาท่านมาบอกว่ามานี่มาไปดูเสียซากเรา